เรื่องที่สิบสองลำบากเพราะชื่อได้ดีเพราะชื่อกีระดังได้ยินมาเมื่อระยะตนตนของสมัยเมจิราวปีพุทธศักราช2411 มีนักงวยปล้ำยูยิจสูเกงการคนหนึ่งชื่อว่าโอนามิแปลเป็นไทยก็ว่านายคลื่นใหญ่จะเป็นคลื่นทะเลลูกเท่าบ้านเท่าเรือนหรือเท่าภูเขาเหลงกาข้าพเจ้าก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ระบุบอกชื่อนักยูยิจสูคนนี้ไว้ด้วยเพราะปมเรื่องทั้งหมดมีอยู่ที่นายคนนี้ แกบังเอิญได้ชื่อชื่อนี้ซึ่งมีความหมายแก่ตัวแกเองเหลือเกินมันมีอันให้แกรู้สึกเคืองหูมฐานไม่น้อยว่าอาตามะนี้มันช่างใหญ่ใหญ่จริงๆเหมือนกับนักมวยบ้านเรารู้สึกขึงขังไปตามชื่อที่ทางค่ายมวยเขาตั้งชื่อให้ฟังดูแล้วน่าคร่นคร้ามดีอยู่ ความจริงอิตาโอนามิคลื่นยายเนี้แกก็แกร่งและเก่งในเชิงศิลปะยูยิศสูอยู่จริงๆถ้าฝึกกันในค่ายซ้อมแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนเองก็สู้แก่ไม่ได้แต่มันมาเสียท่าและหน้าเขตหัวตัวเองก็ตรงที่ท้าไปออกแขกออกเรือคือไปเข้าแข่งขันกันจริงๆบนเวทีคนดูรอบสนามนับพันนับหมื่น แกกลับแพ้ถูกเขาทุ่มอย่างไม่เป็นท่าซึ่งคู่ต่อสู้นั้นๆใครๆก็ทราบว่ามีฝีมือชั้นสิทธิ์เด็กๆกมวยปล้ำยูยิสูเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะแกล้งล้มมวยนั้นยากมากไม่เหมือนการชกมวยอย่างของเราเลยได้แต่ทำความชงนสนเทให้แก่แฟนมวยในสมัยนั้น ครั้งแล้วครั้งเล่าต่อมามีภิกษุอาจารย์เซนองค์หนึ่งจาริกเที่ยวสอนเที่ยวสอนมาหยุดยั้งอยู่ที่วัดเล็กๆใกล้ๆที่นั้นนายโอนามิรู้สึกจำเป็นเสียแล้วที่ต้องเข้าหาพระแกได้เล่าเหตุขัดข้องลำบากลำบนทั้งมวลของตัวให้ท่านอาจารย์ ถึงความรู้สึกกระโดกระดากเมื่อถูกคนนับร้อยนับพันาพากันจ้องแก่คนเดียวเมื่อท่านอาจารย์สอบถามก็ได้ความว่าเขานั่นชื่อนายคลื่นยหญทันทีที่รู้ชื่ออาจารย์ก็จับสมุดฐานได้ท่านไม่บอกอย่างไรเพียงแต่สั่งบังคับว่าคืนนี้ให้ค้างที่วัด แล้วบอกให้นั่งกรรมฐานทำให้เกิดนิมิตทำจิตน้อมไปให้ออกมาเป็นว่าตัวนายคลื่นใหญ่เองนั้นละลายกระจายตัวเป็นระลอกระลอกไปเรื่อยในขณะเช่นนี้อย่าไปนึกไปคิดว่าตัวเองเป็นนักยูวยิฐสูหรือเป็นอะไรทั้งนั้นและไม่เห็นึกว่ามีใครเป็นผู้กระดักอายนั้นด้วย ให้เห็นแต่มันเป็นคลื่นมหือมาเคลื่อนม้วนตัวมาท่วงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียหมดนึกให้ลูกคลื่นในมโนภาพเข้าอกกลืนเอาทุกสิ่งเท่าที่คลื่นยักษ์จะบ่ายหน้าไปทางไหนทำอย่างที่ฉันว่านี้แล้วเธอจะเป็นนักยูวยิสสูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตภพีอาจารย์ย้าอย่างนี้ ว่าแล้วอาจารย์ก็พละไปทิ้งให้เขาคงนั่งอยู่แต่ผู้เดียวนายโอนามิได้นั่งขัดตมาเฝ้าพยายามดำรงความรู้สึกในขณะนั่งให้เป็นเหมือนตัวเองนั้นเป็นลูกคลื่นอันเกิดจากทะเลพบว่าความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆของคนเหล่านี้ ที่แท้มันก็เป็นคลื่นหนุนเนื่องมาหนุนเนื่องมามันเกิดจากลมพัดให้เป็นระลอกลูกแล้ว ล, ลูกเล่าทีแรกก็ยังมีความคิดนั่นนี่สอดแทรกมากมายและแล้วความรู้สึกภายในก็คืนมาให้จดจ่ออยู่กับคลื่นคลื่นคลื่นตกถึงเวลาดึกไปมากแล้ว ความรู้สึกในคลื่นนั้นก็ยิ่งนับแต่จะล้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่นี้กวาดพัดเอาดอกไม้ในแจกันบนทิ่พระไปหมดไม่เหลือหลอหนักขึ้นแม้องค์พระปฏิมาก็ถูกคลื่นท่วมกวาดพัดไปหมดเป็นอย่างนี้กระทั่งก่อนสว่างทั้งหมดวัดรู้สึกว่ามิได้มีอะไรเลย เห็นแต่น้ำพัดมาแล้วก็ลดระดับไหลสู่ห่วงทะเลอันกว้างสุดหลหูหลูกตาไปนน่นพอเช้ามือท่านอาจารย์ก็มามาพบนายโอนามิยังคงอยู่ในท่านั่งตัวตรงดำรงมั่นอยู่ท่านอาจารย์มีอาการยิ้มแย้มในใบหน้า ได้แตะเบาๆที่บ่าของนักยิวยิฐสูผู้ลำสันขนนั้นพลางพูดค่อยๆให้เขาได้ยินว่าเอาละทีนี้จะไม่มีอะไรมาทำความกระดา ก, กรำคาญแก่เธออีกเธอเองเป็นคลื่นทั้งหลายเหล่านั้นคลื่นจะทำหน้าที่กวาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มารอหน้าเธอ ในวันเดียวกันนั้นโอนามิเข้าสู่การแข่งขันยูยิสสูได้ชัยชนะและก็ได้ชนะชนะเรื่อยมาในภายหลังจนไม่มีใครในญี่ปุ่นสมัยนั้นต่อกรกับเขาได้นิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านลองมาคิด ให้เกินกว่าความเป็นไปในท้องเรื่องดูจะพบว่าอย่างน้อยในบรรยากาศญี่ปุ่นสมัยนั้นมีพุทธศาสนาแบบเซนนี้คลุกเคล้าไปกับชีวิตประจำวันกินแถวไปแม้ในหมู่นักมวยที่สู้กันด้วยลำหักลำโค่นด้วยร่างและเนื้อหนังก้อนนี้ตรงตรง แสดงว่าคำสอนสุญญาตานี้มิได้เหมาะแก่พระเนมหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะไปนิพพานพวกเดียวแต่สุญญาตายังนำมาใช้ให้เหมาะแก่การงานทุกชนิดกระทั่งอาชีพที่ต้องคลำเคร่งเอาร่างกายตัวตนเข้าปลุกปล้ำถาโถมคำสอนชั้นให้สลายอัตตาตัวตนก็ยังสอนพวกนี้ ให้มีตัวตนขนาดที่จำเป็นไม่ให้ก่อทาความรู้สึกว่ามีตัวตนเข้มคนกระทั่งนำร่างไปปรากฏ ต, ต่อสายตาคนมากก็มีอันให้สันรร่นระลัวเดินชนนั่นชนนี่ด้วยความกระดากอายเป็นตน้นถ้าหาคนเราควบคุมความรู้สึกให้จิตใจทำอะไรไปตามความจัดเจน เต็มตามความสามารถของมันแล้วมันจะได้ผลเต็มออกมาสำหรับนายคนนี้อันที่จริงถ้าว่าทางกําลังกายแกก็หยอดเยี่ยมทางศิลปะฝีมือมวยแกก็เจนจบแม้ว่าจะมีถึงสองอย่างก็ยังจะสำฤทธิผลสุดยอดไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสภาพปกติขณะทาการนั้ น, น, น ดูเอาเถิดท่านทั้งหลายพุทธศาสนาจะมีเป็นแบบไหนก็ต่างหากเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องบำบัดทุกให้แก่คนทุกคนได้ไม่มีขอบคายว่าต้องเป็นนักบวชหรือคฤรืหัดหรือคนอาชีพั้นอาชีพนี้ขออย่างเดียวว่าคนที่จะมาขอยาวิเศษของพระพุทธเจ้านั้ น, น, น ต้องรู้สึกเสียก่อนว่าตนเป็นโรคอะไรเท่าที่นั่งเฝ้าแต่นับถือแล้วไม่ได้ผลจากพุทธศาสนาเต็มตามขีดขั้นที่พุทธศาสนาจะให้ได้นี้ก็เพราะว่าพวกเรายังไม่มีปัญหาชีวิตนี้ยังไม่เป็นปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็เชื่อว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเป็นโรคอะไร เมื่อตนของตนยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรต่อให้หมอหรือยาวิเศษเพียงใดก็มิได้เป็นประโยชน์ในทางเยียวยาบำบัด ร, รักษาเลยเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองอันหนึ่งพุทธศาสนาอย่างเซนตามที่เรารู้กันนี้อย่าเข้าใจว่าเขาสอนแต่จะให้ได้มรรคผลนิพพาน เป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้ความจริงมีอยู่ว่าคนเราลงได้เกิดมามีอัตภาพเป็นคนแล้วควรจะให้เส็นนี้มีประจำตัวคลุกเคล้าไปกับชีวิตจริงไปทำอะไรจะได้ไม่เกิดทุกข์และยังบรรดาลให้ทำอะไรได้ดีกว่าด้วยส่วนจะขึ้นถึงระดับสูงสุดเมื่อไหร่ จะเป็นผู้คมที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อไหรนั้นไม่จำเป็นต้องคํานึงถึงเพราะเซนไม่มีขีดขั้นให้ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเสียแต่ต้นฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับโภงได้ฉับพลันนั้นมิได้หมายความว่าเป็นกวกขีปาวิญญาอย่างในเทรวาสเราแต่อย่างน้อย ก็ต้องเป็นพวกที่ไม่ใช่ทุกขาปฏิปทาคือพวกเซนนี้จะปฏิบัติโดยสะดวกอย่างธรรมดาเรื่อยๆไปสิ่งใดไม่ใช่วิสัยก็ไม่มาตั้งพิธีปล่ำปลุกฝืนเอาจนได้เพราะเขาถือว่าเป็นการเสียกำลังงานและเป็นทางมาแห่งความลำบากลำบนเปเปล่าเอาละ ข้าพเจ้าจะเก็บเรื่องทำนองนี้ในแง่อื่นๆมาเล่าเล่าอีก